วันนี้จะเทศเรื่องพระไตรสารนาคมคือว่าเรื่องพระไตรสารนาคมมันเป็นเบื้องต้นของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาคนเรานั้นโดยมากไม่ค่อยจะคิดคำหนึ่งถึงคุณหรือของดีที่เรียกว่าของประเสริฐ ทางทั้งที่เราพากันปราบพากันไหวอยู่ทุกวันทุกวันแคเดียวแล้วก็กล่าวประนามถึงอยู่ตลอดทุกวันเสีนพุทธทางสระนังขะฉามีธรรมนังสระนงังขะฉามทั้งทางสระนงังขะฉามี้ข้าพเจ้าเขาถึงเนื้อพุทธประทำประสงค์นี่ว่านัตถิเมธระนงังอันอยังพุทโธเมธระนังวรังธรรมโมเมธระนังวรังทั้งโคเมตระนังวรังข้าพเจ้า เพราะถึงพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มาเป็นสารนาที่พึ้นทลึกสิ่งอื่นนอกจากพุทธธรรมประสงค์ไม่มีพุทธรรมประสงค์เป็นสารนาที่พื้ออ น, น, อ, นอันสิดสูงสุดแล้วก็พาทั้งกล่าวกันอยู่แต่ว่าสิ่งใดอาหารเรากล่าวหรือเคยกราบเคยไหวเคยชินเนี่จริงนั้น เราไม่ค่อยจะคำนึงถึงของจริงเหมือนเหมือนการกระตัวของเราแล้วเกิดขึ้นมาแล้วมันเคยคลองตัวของเราคือชีวิตของเราอยู่ตลอดกาลความหนักความหน่วงมันก่อลืมไปและคุณค่าประโยชน์ของตัวของคนเราก็ามไม่ค่อยจะคำนึงถึงทั้งทั้งที่เราอาศัยอยู่ทุกคืนทุกวันความเป็นจริงนั่น ถ้าหากเรามาคิดถึงคุณค่าของตัวของเราเรแต่ละอย่างละอย่างเช่นตาหูจมูกลิมฝีปายสิ่งเอาไว้ยช้บัทั้งหลายทั้งหมดที่เราใช้อยู่นี้นของมีคุณค่าหาราคามีได้คือ่าไม่มีคนที่จะเอามาทดแทนและใช้แทนได้แ็นของดีมีค่าใช้ได้นานานแต่เราไม่ค่อยจะคํานึงคิด หรือไม่ฉะนั่นแคอย่างที่เราอาศัยพึ่งบิดามาันดาให้กาเนิดเกิดมากระดดเราได้รับอุปการละเลี้ยงดูเติบโตมาโดยลำดับถ้าหากเรามาคิดคำหนึ่งทั้งคุณแล้วเส้นของหาประมาณนี้ได้ชั้นเดียวกันกับคุณพระรัตนไกรคือ พ, พระพุทธธรรมผสม แล้วกราบทุกวันทุกวันแล้วไหวทุกวันทุกวันเประนามถึงตัวกล่าวถึงขุนท่านอยู่ทุกวันทุกวันแต่เราไม่ค่อยจะคำนึงจิดของจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงจะพูดเพิ่มเติมอีกหากว่ามีของจริงอยู่แล้วได้คิดนึกแล้วก็ดีหรือหากคิดนึกไปแล้วนมนานมันลืมก็จะได้ทวนทบกลับมาพิจารณาอีก ความเป็นจริงนั้นท้าหากเรากราบครั้งที่หนึ่งก็ประสงค์อยากจะให้เราลึกถึงคุณพุทธกรรมครั้งที่สองเราลึกถึงคุณพุทธธรรมครั้งที่สามเราลึกถึงขุณพระเรียศถึงหากเราจะไม่กล่าวว่าอรหังสมาถถัิบุตรพระกุศลต่างและพร้อมกันนั้นเรากราบแล้วเรา ว่าประนามคืออรหังสมาธิปพโุพโธภพวะเต็มต้นเรามาพิจารณาให้ถึงความจริงของพระพุทธเจ้าให้ทราบซึ่งถึงจิตถึงกาจริงจิงจิตของเราจะเบิกบานการกราบจะนิ่มนวลการกราบจะทราบซึ่งถึงจิตถึงกา จิตใจจะอิ่มเอิบจิตใจจะเบื่บานจัดเป็นบนเมฆกุศล อ, อย่างยิ่งใหญ่ไปสทัทงเดียวอะไรที่ระลึกคุณคุณอุเจ้าที่ท่านพนานามาก็กว้างขวามวงมากมายแล้วแต่ปัญญาของแต่ละบุคคลถ้าปัญญามากพิจารณามักก็ลึกซึ้งลงไปถ้าปัญญาน้อยพิจารณาก็ตื้น มาแล้วแตปัญญาถ้าหากเรามาคิดถึงคุณพระ เ, เจ้าแล้วมันเป็นที่หน้าอัศจรรย์ในเรื่องใจคุณของพระองค์เป็นของลึกซึ้งเรามองตามจนไม่ถึงเลยเท่าที่ปัญญาของเรามองเห็นก็เป็นของลึกพออยู่แล้วสิ่งใดที่เป็นของลึกซึ้งละเอียดเราคิดพิจารณาตามไม่ทันสิ่งนั่นน่ะ เป็นของเลิศประเสริญยิ่งกว่าเราแล้วกลาไฟบูชาอย่างถนัดใจทีออย่างเต็มอกเต็มใจจริงๆอย่างยอ่อดๆท่านยอ่อมาเพียงเก้าบทคือว่าอรหังสมาสมุโทโธอิติวิโสพระควาอรหังสมาสมุโทโธพระควาอนุวาพระภูมิพะภาคบทหนึ่ง พัคขวานผู้มีพระเนี่ยคำว่าผู้เมยพระในที่นี้พระองค์เป็นผู้เบิกบานจิตใจว่งองหวงเบิกบานยังเรียกว่าเป็นคนพัควาเป็นผู้เบิกบานพัควานว่าผู้มีพระทำไมเครื่องผู้มีส่วนเป็นผู้มีส่วนคําว่าส่วนในที่นี่นั้น หมายความใช่ไหรัผู้พุทธเจ้าอมใดก็ช่างเถิดที่ไดสรู้มาแล้วนับไม่ถวนผู้พุทธเจ้าของเราก็มีส่วนได้เป็นผู้พุทธเจ้าเหมือนกันกับผู้พุทธเจ้าทั้งหลายตรงนั้นจึงว่าเป็นผู้มีส่วนเป็นผู้มีพหุภาคเป็นผู้มีส่วนอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสบทที่สองถว่าไกลจากกิเลสไม่ใช่ว่าหนีจากกิเลส คือกิเลสมันไม่เขาทราบถึงถึงจิตใจไม่เหมือนชาวพุทธชนคนหนาธรรมดาก่เลสคือความโลภความ โ, รโกรธความหลงเป็นต้นมันกล้อยู่กับจิตนั่นแหละโลภโกรธหลงก็เลยมันมาไม่มีที่อื่นหรอกทันพอดีมันมีสิ่งยั่วยวนชวนให้ปรากฏต้องปรากฏขึ้นมาปกติธรรมดาแเรามีแค่ความโลภโกรธหลงกาอยู่อย่างนี้ไม่มีถ้าพอดีมีคนใดมาว่าผิดใจทั้งนั้น มีนัดคนใดมาตีก็ถูกที่ศรละเจ็บเขมันโกรธขึ้นมามันไม่ได้มาจากอื่นหรอกมันอยู่ที่นั่นแหะเนี่ยธรรมดาบุตรชนคนธรรมดามันปราโกรธขึ้นมาในทนี้มันไม่ไกลแน่นิมันไม่เป็นพระราหังมันไม่ไม่เป็นราหังเียไม่ไกลจากกิเลสมันอยู่กับกิเลสเนอะตัวกิเลสเนั่ย น, นานๆ น, น, นะข้าวตวงเราเนี่กลายเป็นตัวกิเลสกิเลสจะแต่เป็นตัวของเรา เลยแยกกันออกไปแล้วส่วนอร่าหังคือผู้เดจเจ้าพระไกลากเฉลียันมันไม่เป็นอย น, น, นยที่ท่านทัานนี้สายสัญญานของผมไม่มีเจือเลยถึงเขาจะว่าก็ได้ยินเดี๋ยวเขาจะว่าอะไรว่าดีถึงเขาจะตีให้เจ็บให้ปวดก็รู้จักว่าเจ็บว่าปวดอยู่แต่จิตไม่โกลัจิต้นไม่อิจฉาลิสิายาลไม่อาฆาตไม่ยาบาท ท่ายังไงมันยังก็เป็นอย่างนั้นคือท่านพิจารณามาพอแล้วคน้นความาพอแล้วพิจารณาจะพาตามเป็นจริงมาพอแล้วท่านเห็นว่าสังขารร่างกายเป็นของแตกตายสลายเป็นแปรปวนจะเป็นอันตรภาพร่างกายนี้เป็นของของทุกข์อันตรภาพร่างกายนี้เป็นภาคจีนําไปลงท่านไปมางเปลี่ยนมันก็มองมีคนมาทุกมันก็ต้องแตกในมอ ไม่ต้องทุบหลุดมือลงไปมันยังถูกมองแข่งที่ต้องแต่เหตุนั้นถึงเขามาทุบมาต่อยมาตีก็เมือ่ก อ, อกระหมอดท่าเห็นพระมหาอักยรมัน ก, ออก็หมอดที่เลสใน น, นั้นเลยไม่เข้าไปถึงจิตทุ้งท่านไม่เป็นเหตุใ น, นท่านโกรธถึงเขาจะว่ารายโดยการนักกา ร, การยัญญารู้ถูกท่านก็พิจารณาเห็นไในถึงเรื่องลมเรามันออกจากฝากคน มันก็ต่างไปกระทบสิ่งอื่นจะไปว่าจะลมฝากคนเลยปกติธรรมดาลมพายุไตฝุนมันก็ยังประหารชีวิตขนนัาบูทวนถูกป้านถูกเดินคนกับเพกพังทลายไปลมทั้งหลายมันก็มีพิษมิส่งงานเป็นธรรมด า, ล, าลมมันนี่มันลมที่ออกจากปากคนถึงมันจะไปพัดไปถูกมันก็ไม่ถึงมีรายแรงเช่นขนาดนะ นันไม่เห็นว่าจะทําให้ใดให้ใหต้นไม้ตน้นไรหรืออะไรบ้านเรือนเนี่ยพังทลายนั่จะไปเจ็บอะไรกับคนไปถูกอะไรจะใจเจ็บกับคนให้มันเจ็บมันปวดเรื่องวันนี้ท่านพิจนาอบรมมาแล้วตอนที่จะไกลาจากกิเลสก็กิเลสไม่เข้าไปซึมซับเข้าไปถึงจิตใจท่านฉะั้นเราฝึกฮัทึกปฏิบัติทุกวันนันนี้ก็เพื่อจะให้รู้เท่าเข้าใจเรื่องทั้งหลายนี่แหละทิฏเทศสนาอบรมตั้งสอนมาทุกทุกอย่างแล้เพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องทั้งหลาย เพื่อห้กิเลสเข้าไปแทรกซึงถึงจิต ถ, ถึงใจนี่นนะครับว่าอารหังเรียกว่าไกลาจากกิเลสเราหัดควบลมยังงมาทันคอกิเลสยังไม่ทันหนีจากไม่กิเลสจะมายังติดอยู่กับจิตกับใจนั่นเป็นอันเดียวกับใจใช่ถ้าเราพิจารณาเห็นชัดติตาไม่จริงนะกิเลสมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากจิตของเราเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากนี่นเป็นคนละเรื่องกัน อารหังแปลว่าไกลจากกิเลสไม่ได้ไกลที่อื่นที่ไกลหรอกไม่ได้หนีไปไหนไม่เลยกิเลสก็ไม่ได้หนีจากท่านในพระไทยของผมท่านก็ง่างก็ไม่ได้หนีจากกิเลสแต่ว่ากิเลสมันไม่ได้เข้าไปซึมซาดในพระไทยของผมนั่นจึงว่าอารหังไกลจากกิเลสสัมมาจังพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้สัมพุทโธแปลว่าตรัสรู้สัมมาโดยชอบ ในเป็นบทต่อไปสมาธิพุทโธถ้ารู้ชอบธรรมชอบในที่เห็นดีเห็นชอบเห็นตามเป็นจริงมันชอบอย่างคนเราเห็นน่ะอย่างเรามาพิจารณาถึงธรรมะเห็นจริงเห็นตามคำคําสองพระองค์แต่เราละไม่ได้ยังไม่เรียกว่าเห็นชอบนั้นพระองค์เห็นชอบแล้วทุกอย่างมันชอบแล้วดีแล้วทุกประการ จริงเพื่อาะถอนได้เห็นชอบอย่างพวกเรายังไม่ทันละยังไม่ทันได้ถอนยังไม่ทันได้แจ่เรียกไปเห็นชอบยังไม่ทันได้ก่อนเพียงแต่จะไปเห็นตามนี่สิยังไม่ทันถึงเห็นชอบพระพุองค์สมานท่าพูดถูกนั่นคเห็นชอบกระสือชอบชอบแด้พระองค์เองด้วยไม่มีใครสอนอันเรานี้ผูดด้ใดจะ ส, สอนท่านเท่าไหรสุบายอาจารย์สอนเท่าไรแต่มันก็ไม่เห็นชอบสักทีมันไม่เข้าถึงของจริงสักที ยังล่าทิ้งไม่ได้ถอนไม่ได้ทิ้งไม่ได้เป็นสมาม ธ, ธิพุทโธพระพุทธเจ้าท่านเป็นสมาม ธ, ธิพุทโธวิชชาเจรณะสัมปันโนท่านว่าวิชชาสามวิชาแปดเจรณะสัมปันโนทั้งความในเจรณาคือเมลัยญาตความประพฤติปฏิบัติทุกอยากพระพุทธเจ้าท่านมีวิชชา แต่แขนรู้แจ้งเขาใจตามจริ ง, รงแล้วทุกสิ่งทุกประการแล้วถ้าปฏิบัติถูกต้องเป็นที่นากราบไลและสักกาบบูชาเจริญนาคือความผู้พิบัติรู้เห็นอย่างไนปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างไรเขปาประเห็นอย่างนั้นความรู้ความเห็นเขากราบปฏิบัติกลุงก่อนไม่เป็นเครื่องกระทบกันเทือนไม่เป็นที่ หเหยียดเยียดยานดูถูกของคนอื่นใค่เห็นนี่ก็เกิดศรัทธาเรลิกใสยังเรียกว่ามีวิชาแล้วมีเจรณาพร้อมด้วยคำด้วยวิชาเจรณาสุขโตท่านไปดีพระโลกนี้ได้ไปสู่พระโลกไม่ใช่ไปเพียงสวรรค์ขัต้านนะันไม่ใช่ไปผมมโรกนิพพานเลยดับเลยไปดีจริงๆ ว่าเราในไปเสียงสุขตีเขาเรียกว่าดีอยู่แล้วแต่ผู้ไเจ้ายังดีกว่านั้นอีกสุขโตไฟดีมาโลกนี้ต่อมาทําประโยชน์ให้แก่ลูกถ้าผู้ไดเจ้าไม่บัตรบังเกิดในโลกพวกเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในทำคําสอนพระองค์หรือพวกเราสพาสมื่หมดไมทาทีอันนี้ด้วยจักรดีจักรด้วยจักบาปปุลคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ด้วยจักริตพิจารณา ถึงคืออันนี้แจงทุก ข, งขงาาังก็ตายเป็นขเกิดแก่จะตายเั็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทั้งหลายนี่ก็รู้ว่านะแต่ทุกองสเสด็จมาทั้งนั้นอ่ะถ้าพระองค์ไม่สเสด็จมาโปรดจะได้แต่แล้วเทนั้นอ่ะพวกเราไม่เห็นดอกของเท่ น, นี้อันนี้จะว่าท่านมาดีมาทําประโยชน์ให้แก่โลกไม่ใช่เฉพาะพวกเราเท่านั้นใครๆก็ตามเถิดเกิด ข, ขึ้นมาในโลกอันนี้แล้วมาได้รับทำคําสอนของพรธเจ้าแล้วเป็นคนมี แสงสว่างปรากฏขึ้นในจิตในใจจึงว่าทันมาดีคนเราถ้าหากคนใดมีวิชาจรณนาคือถึงความได้ความรู้และความฉลาดปฏิบัติดีปฏิบาาัติชอบแล้วก็เป็นสุขโตได้อีกเหมือนกันถ้าคนใดไปที่ไหนไปอรารวาดทุ่มเทียงเขาไปทะเลาะเบาแวงคนงงนงคนนี้ไปอิจฉาทิสัญาหักหลังต่อโกงขงโมย อันนั้นไม่ใส่ทุกขโตแล้วเป็นทุกขโตไปที่ไหนเขาก็เกียดหนามดูถูกกาดแข่งทุกประการถ้าไม่ยินดีพอใจไปอยู่แล้วเขาก็เบื่อเบื่อหน่ายนี้แล้วเขาก็เกียด์เกียดหยามตามหนังเป็นทุกขโตส่วนพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นมาก็ทําประโยชน์พระองค์นิพพานไปแล้วก็มีคนอะไรอาวรณ์พวกเราทั้งหลายทุกวันนี้กับทั้งกราบไหว้สักการบูชา คำว่าแทวะเงยงก็คืออะไรวอวันทั้งพระองค์พระคุณพระองค์นั่นเองยังว่าพระองค์มาดีไปดีทุกข์กตุกดต่อไปเรียกว่าโล ก, กวีถูรู้แจ้งโลกคำว่าโลกในที่นี้เนี่ยไม่ใช่พระองค์จะเสด็จไปถึงโลกรประเทศไปจานทางขานอย่างพวกพลังเข้าไปอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโลกที่พระองค์เจ้ารู้แจ้งนั้น ไม่ได้ไปใต้ดินเไีไ่ยไปบนชั้นฟ้าสวรรค์อย่างเขาเที่ยวชันจองสวัรค์นี้ไม่ได้ไปทางน้าทางทะเลแต่พระองค์มาค้นคั่วดูโลกภายในคึกขันทะโลกในตัวของพระองค์เองรู้ตลอดจบมดรู้อะไรรู้ธาตุขันอาญธรระรู้ว่าตัวคนเราหนี่มีเพียงธาตุสี่ดินน้ำไปลม ใคแยกเราไปก็เป็นขันหานคือรูปเวทนาสัญญ า, ญญ า, ญญ า, าทังห า, า, า, ายมีอย่างอาทิตย์นาดาวไปก็คืออันนาหกคือตา ห, หูจังหวูดีนสายไก่นี้เท่านี้โลกคนอื่นก็เท่ากันนี่ประเทศอื่นชาติอื่นก็มีเท่ากันนี่ถ้ารู้ดีแล้วก็รู้มดเหมือนกันกันหมดหมดทั้งนั้ น, นมีว่าถึงโลกรลก ก็ทั้งเรื่องโรคนัโลกน้ำค่ะนี่ท่านเรียกว่าตารมาโลกรูปมาโลกมาโลกโลกพูดทั้งเรื่องตารมาโลกคนเรามัวเมาแล้วเพิดเพลินติดอยู่กับการมงคลฐานที่จะกับรูปเสียงกิ่นรดโหดทั้งทาคนยินดีกับรูปติดกับรูป เห็นรูกสดสวยงดงามน่ารักนายชอบนายสมอยากได้อยากดีอยากมาเป็นอิสระอยากอาเป็นของตนเราก็เป็นเห็นนั้นโลกคือขันที่เราที่เราเห็นรูปอยู่ในนี้ที่ตาเราเห็นรูปมันก็เท่านี้ตาคนอื่นจะเห็นเท่านั้นตาชัดอื่นจะเห็นเท่านั้นประเทศใดชาติใดบ้านเมืองใดก็เท่านั้นมีตาเห็นรูปก็เสมอไป อยากได้ชอบสวยชอบงามอยากได้ถ้าไม่สวยไม่งามก็ไม่ชอบไม่อยากได้อันนั่นก็เป็นโลกอันนั้นเหมือนกันคล้ายๆก็เหมือนกันมดถ้าไม่เห็นตวงเราเราเห็นหมดเหมือนกันรู้กันมดทุกคนทุกบ้านทุกเมืองทุกประเทศทุกกรรมนี่ทำนาเดียวกันนี่ทั้งนั้นเนี่ยรู้ตรงนี้คำว่าดูโรค ฟังเสียงก็ชอบเสียงเคาะหเสียงหวานเป็นเหตุนใเนเพิดเพลินเจริญใจนำความสุขมาให้เหมือนกันใครมีหูแล้วก็อย่างเดียวกันนี่แหละถ้าเดินกัดตัวไหนไมีหูเถอเหมือนกันนะสิ่งที่ไม่พอใจเสียงนันที่ไม่พอใจก็เเบียดเหยหียดหยามดูถูกแล้วไม่ชอบใจมาอย่างไรหเห็นอย่างให้ไดยินยินไม่ฟัง กระเกิดอยู่เจ้าพวกเดียวกันนี่คือความอยากได้อยากดีคือความพอใจนั่งเดียวกับตามมาตัญหาความไม่อยากได้หนึ่งวิวิปวิปตัญหาเรียกว่าวิภวตัญหากระกิเลตเท่ากันนี่แหละใครจะอยู่นันก็กิเลตเท่ากันนี่แหละเด็กผู้ใหญ่ก็กิเลตเท่ากันชาติได้ประเทศได้ก็กิเลตเท่ากันชาวบ้านชาวว้าก็กิเลตเท่ากัน ผู้ที่เกิดมามีรูปเลียงกินลดปดสับากที่เดอันเดียวกันนี้ทั้งนั้นจะอยู่ในโลกไหนก็ตามถึงมีพวกองค์เจ้ารู้อย่างนี้รู้โรครู้อย่างนี้มาเด๋ยไปเที่ยวเดียกินกัมัจมูกถูกเข้ามาแล้วหอมชอบชอบใจชื่นชอบใจอยากได้ถ้าเป็นอาหารก็อยากอยากกินถ้าเป็น สิ่งที่กินไม่ได้ก็อยากดมหอมขึ้นแล้วลืมก่ถ้ามันเหม็นนะ่ะไม่พอใจคับแค่นโทมนัสน้อยใจรสคือรสที่เกิดจากลิล้นรสอาหารที่เราทานอยู่ทั่วถ้าจิตถูกลิ้นเขาเลยชอบองงเงา่าไใจก็อยากจะรับทานกันอยู่ตลอดเวลา ไม่มีก็คิดถึงมีมาตติติด อ, อกดจิตใจให้มีก็เสียดายจิตใจยู่เสมออยากให้มีอย่งงางนั้นติดอไเรื่อยความชอบ อ, อกชอบใจของพี่มันจิตอยู่อย่างนี้สัมผัสร่างกายถูกอะไรก็ตามที่ว่าถูกเนื้อถือตัวของเรานิ่มนวลชวนให้รักให้ใครให้ชอบใจเกิดความยินดีพอใจ เครนุ่งคองหอมที่เราถูกกล้องมาแล้วอันใดมันนิ่มนวลชวนให้ชอบ อ, อกจ้าใจแต่ติดนักชอบอยู่ในเรื่องเรื่องสัมผัสทางกายครับตัวไหนมีกายอย่างเดียวกันมดอยู่ได้ว่านในเมืองในประเทศชาติไหดเหมือนกันมั้ชอบอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าของแข็งร้อนแผลติดเห็ดแสบแล้วก็ไม่ชอบชอบในยัอใจอันนี้เรียกว่าการเมตุหา่าง กามกุณหานั้นหมายถึงเรื่องความพอใจความยินดีพอใจกับรูปเสียงชินโดยสุภาษะห้าประการทำไมธรรมารมจึงหายไปธรรมะทั้งเรื่องอาจต้งน้าหกเพมีถึงหกคือความคิดนึกธรรมารมไม่มีธรรมะทั้งเรื่องกรรมกุณหะทำไมยังต้องหายไปคือธรรมารมนั่นมันเป็นได้ทาง กามมันเป็นได้ทั้งกามาพบทั้งกามาคุณเป็นได้ทั้งรูปปรกพบอารูปปพบทั้งเรื่องธรรมารมมันเป็นได้ทั้งปัญญาให้เกิดยิปัฏนาอารมณ์ที่เกิดจากจิตนั้นถ้าติดกับกามก็เป็นกามาอารมณ์ถ้าติดรูปก็เป็นรูปอารมถ้าติดอารูปก็เป็นอารมูป ถ้าติดชานสมาธิสมบัติเรื่มรรคผลนิพพานแม้ที่สุดแต่มรรคผลนิพพานท่านต่เรียกว่าอารมณ์คือยึดเอาความดับได้แก่ผลนิพพานเป็นอารมณ์คือความว่างเป็นอารมณ์ความดับเป็นอารมณ์เหตุนั้นจึงไม่ได้จัดเข้ามาในนี้โดยเฉพาะเอาตั้งแต่หากคือรูปเวทนาคือเอาตั้งแต่ รูปแจ้งกินโลดโพธภิภพพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งโลกท่านรู้อย่างนี้เมื่อเห็นชาติอย่างนั้นไปติดทำไมลองคิดดูดิคนเราทุกๆุกคนถ้าพากันรู้แจ้งเข้าใจตามปจริงไปติตทำไมติดรูปไปติดทำไมปไปหลงอะไรไ้หลงรูปรูปมันก็ถก้อนดินก่อนหนึ่งรูปก็เป็นของแตกของสลายรูปก็เป็นของ โดยเฉพาะคือรูปตัวของคนออกก็เป็นของปฏิคูลหนักเกียดอยู่แล้วจะไปติดทำไมผิดหลงรักหลงชอบทำไมถ้าเห็นจริงมันไม่มีหลงหลักของชอบเนี๋ยวนีคุ้มหลงนั่นสิที่เรายังไม่ได้พิจารณาเลยเดี๋ไปถือสรุปเอาหมดว่าเป็นตัวตนคนสวยคนงามหรือว่าคนเพศหญิงเพศชายอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วไปยึดเอาทั้งหมด น่ารักนายชอบน่าชมน้าใช่น่ายยินดีอะไรลงไปใหญ่ไปเร็มไม่เห็นโลกแบบนั้เห็นคนเห็นโลกเป็นคนเห็นโลกเป็นมนุษย์เห็นโลกเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอินเป็นคมไปใช่ไหเห็นโลกเป็นของสดสวยงดงามไปใมถ้าหากเราเห็นโลกการเป็นจริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าโลกประทัดมันเป็นธาตุนั้นเองเั็นธาตุสี่อยู่นะไปเต แล้วจะไปติดไปชอบตรงไหนไปหลงตรงไหนนี่พระองค์เห็นโลกแล้วมันก็ปล่อยวางลงไปได้ทันทีเรายังไม่ทันเป็นโลกระบทูนะันเทเรื่องนั้นนะยังไปเห็นโลกเป็นคนอย่างนัเห็นโลกเป็นรูปเป็นกายอย่างเห็นของสวยสดงดงามอย่ามันแจ้งค่าติดพระองค์มาเป็นโลกวะทูแต่รู้แจ้งหมดแล้ไหนๆก็ตามเถอะมันจะมารูปไหนก็ตามเถอะร เ, อเรื่องรูปแล้วแบบ แรีว่าลูก ป, ประโลกทางนั้นน่ะนีของเกิดดับท้งนั้นน่ะเป็นของเกิดดับทั้งนั้นนะเป็นของปฏิปุณโสขเป็นของกองทุกข์ทางนั้นเป็นกองทุกข์กองหน้่งกองจริงๆนี่แหละนี่จึงว่าโรคอโลกวีทูอันนี้เขาไม่ด้เจ้าด้านนะพระขวาวเป็นผู้มีส่วนหนึ่งอรหังเป็นผู้ไกลแจกเกเรนธรรมารสัมพุทโธ รู้แจ้งแจ้งตลอดของจริงกระเสือรุนโยพระองค์เองวิชาเจรณะสำปโนมีวิชาแล้วประกอบด้เบกเจรณะวิชาสามวิชาแปดก็ประกอบเบกเจรณะ ป, ะ ค, ปะคุยปฏิบัติรูจร้จริงเห็จริงแล้วมาคุยปฏิบัติถูกต้องตามสง่งรู้นั่นสุขตัวผู้ไปดีโลควิถูรู้แจ้งหลก อันนี้มาเป็นส่วนของพระองค์พระองค์มีข้อมูลบริบูรณ์หมดทั้งหกประการอานุตตรโภคุรสิสาธรรมะสารละทีสัทธาเทมมุษสนาพุทโธปวาวะิอันนั้นเป็นส่วนเจือจารยแมาให้แก่บคุคคลอื่นคือเป็นผู้สา ม, มารถทรมานคืออรสังสอนมนุษย์่างทั้งหลาย ให้ละโยชน์อ่านได้พวกเราลองคิดคิดอยู่ดีคำสองพระองค์ถึงแม่ว่าพระพุทธเจ้าท่านอภิธรรมาแล้วกระามยังเหลือแต่คําคสอนเท่านั้นเมื่อคนใดเขาไปทราบถึงถึงของจริงในธรรมคำสองพระพุทธเจ้าสามารถละความชั่วเรียกสามกุศลได้ให้กลับเป็นคนดีได้อลองคิดดูด่ดีขนาดที่พระพุทธเจ้าไม่มีอยู่แล้วยังเหลือแต่กระทำคําสอนอก็ยังาฝ่านนี้หากพระองค์มีเป็นตัวจริงแเราจะถึงขนาดไหน ผู้ทรมานคนจะทรมานได้ดีถึงขนานี้พุโทโธ น, นผู้เบิกบานเลยคะนี้เป็นสารทีแล้วก็บเบิกบานลู้แจ้งแทงเบิกบานว่มีการเส่าหมองัลพงศ์ข้องใส่ตลอดกาลนานหากเรามารู้อย่างนี้จะไม่เบิกบานหรืออย่างที่เป็นมาอย่างที่วัน เทียงว่าโลกวิธูเท่านี้แหละไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่ทั้งหกหมล่ะดูแจ้งโลกพิจารณาโลกเห็นชัดอย่างงี้หายความกวนกระวายเดือดร้อนหายความเงาเงาห่อนพิจารณาอยู่ตลอดการเวลายืนเดินนั่งนอนมาคิดพิจารณาค้นคว้าอยู่เบิกบานอยู่ตลอดเวลาอิ่มเอิบอยู่ตลอดเวลานั่นพักพุทโธเป็นคนเบิกเป็นผู้เบิกบาน แทนว่าเปนคนเป็นผู้ตื่นนาแทนมันก็ตื่นแล้วแต่ก่อนเราอนอนก็คือจบอยู่กับความชั่วชุติจลีทุกผิดต่างๆหางมารู้เขาแล้วรู้โลกัางอย่างที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องโลกตอนนี้อันเดียวเท่านี้ตื่นหัวมือตัวเลยพันรู้จึกตัวขึ้นมาทีเดียวบอ่อแหมเราเ น, นี่ยจิตทั้งนักหนาขนาดขนาดหนักทีเดียวเขาจะไม่ตื่นอย่เหรอครับเอง รู้ตนจิตทละได้ก็เรียกว่าตื่นนะดิคนตื่นรับตื่นนอนนั่น น, นั้นตื่นเรียกไอน้อยทั้งนั้นตื่นแต่ไม่ยังง่วงเหงาอยากหลับอีกคนตื่นคนชั่วเจ้าของประชนได้หลับมานานเแล้วโดนจมมานานแล้วพขาตื่นขึ้นมาแล้วผ่ า, านนี่มันเลยไม่หลับอีกนะไม่ยอมทําคนชั่วเรียกว่าไม่นอนหลับอีกแนวพุโทโธเป็นคนเป็นผู้เบิกบานเป็ผู้ตื่นทักษวาเป็นผู้ เจ็กกบจำได้แล้วทนใครจะไม่อยากพูดรู้จริงเห็นจริงแล้วอดพูดไม่ได้ไระพุทธเจ้าแล้วก็อดพูดไม่ได้ท่าน พ, พูดนั้นเรียกว่าเจ็ะคุณงามควาดีหรือความรู้ต่างๆยี่ท่านอธิบายว่องไปถึงหกไปถึงเก้าบทพระคุณมองไระพุทธเจา้าอันนี้เราสวดแล้วไม่รู้แล้วแปลไม่ได้ เราก็เลยทักต่ว um ่าสวติพิพิธโตพราว่าสมาธิปุถุาจะนำกหนโรภทนตรดตาธมสาเตุนนากรมาแนไม่าอะไรเลนายน่ะเาขี้เกียจคือไม่รู้ความจริงไม่รู้เนื้อความเอยขี้เกียจเลยเบื่อทาได้แค่ทักว่าทาคนที่เข้าใจเนื้อความนี้แล้วมันอยากทำเยตลอดเลตากราบล้มเเลยมาอย่างเนยส นึก ล, ลึกถึงคุณของพระองค์ละแม่มันซาบซึ้งเขาถึงจิตถึงใจจิตใจฟังใช้และเบิกบานไม่ขิดเกีจที่ขัน้นการไหว้พระส่วนมนต์ไม่มีการขี้เกียจทแล้วพิจารณาถึงคุณของพระองค์เข้าที่อธิบายนี้เย่งซึ้งเข้าไปทุกทีจิตใจของเราละเอียดเข้าไปความซาบซึ่งนั้นซึ่งเข้าไปจนเย็นเข้าไปจนเป็นสมาธิหัวานานในตัวเรียบว่าอนุสติ พุทธานุสติเป็นก็ไม่ฐานอยู่แล้วคนเป็นก็ไม่ฐานยังค่อยพจนาเป็นจังค่อ ย, ยอะจะพิจารณาอย่างนี้ได้คนที่หัดก็ไม่ฐานไม่เป็นคิดหยิตไม่สงบไม่อยู่ในอารมณ์อันเดียวคือพิจารณาพระคุณผู้โง่จะมาอยู่เฉพาะโดยเฉพาะแล้วพอเราไหว้ผ้ามันก็เลยคิดไปทางอื่นคิตก็มัวเวินไปทางอื่นมองดูโน่นดูนี่อะไรต่างๆไม่ใช่นั้นไปคิตจงตาก็ไฟทางภายนอกเลยก็เลยไม่มีประโยชน์ าแต่ว่าทำทำไป น, นานๆนะเขาเบื่อเลยขี้เกียจสิครับง่วงเหงาเข้านอนเลยไมเป็นประโยชน์อันนั้นพ่วงไปแต่เพราะเราที่ยังไม่ท่านไม่ได้ึก้สามารถโดยเฉพาะท่านย่นเข้ามาอีกท่านอธิบายว่าปัญญาคุณวิสุทธิคุณแล้วกรุณาคุณนีย่อเข้ามา ที่สุดที่คุณก็คือได้แก่ปัญญาไอ้ปัญญาคุณก็คือได้แก่ควบรูปควงมถนสามารถที่จะขจัดปัดเป่าความชั่วที่มีอยู่ในตัวของพระองค์ให้หายไปกันหมดที่เรศมีมากน้อยเท่าใดตามไปรู้ไปเห็นหมดไม่หลงกิตอย่างพวกเราพวกเราถ้าโกรธเขาแล้วอยากจะแก้แค้นเขาเขาจะเป็นคนดี ถ้าโสดธใครแล้วเห็นของใครอยากได้ของเขามาเป็นของตัวเข้าจว่ะจนถลาดเกลียดเลี่มจนหาเล่เหลี่ยมเอาด้วยประการต่างๆหาลักหาค้งขโมยหาปหาหาล้นหาจริงหรือหาฟ้องร้องเอาด้วยประการต่างๆถ้าได้ชชนะเขาเอามาเป็นของส่วนตัวแล้วเขาใจาเป็นคนฉลาดเกลียดมมีสัญญาดีอย่างนั้นอย่างนี้มันไสอย่างนั้นใชส่วนผู้ได้เจ้าทรามะเป็นยังไง ปัญญาครับผมไม่เป็นอย่างรู้แล้วละถอดาการที่อยากได้ลองคิดดูเขาแล้วกันถ้าผู้ภาวนาเป็นยังค่อยจะรู้เรื่องอย่างว่าปกติธรรมดาเนี่ยเราทํากลมสงบเฉยจิตของเราเฉยในจิตนึกอย่างได้น่นอย่างนั้นเขเห็นอะไรเสริมมาแวบเสริมมารากุดเช่นเห็นซองเนื้อเอาปลามาเงี่ย ได้เห็นนะเขาเอาเสิ่งเาขาอมมาขายเนี่ยพอเจ็นแวบขึ้นมายอยากได้ถอนนะถอนจากคกวามสงบนะพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านเห็นว่านั่นเป็นภัยนั่นเป็นตัวกิเลสคือความอยากได้นแหละมันทําให้ใจฟุ้งโง่ไปแล้วท่านเห็นเป็นตัวกิเลสเฉยแต่ถ้าจะกล้าหรือท่านจะกล้าไปทําลายจิตใจสงบความสุขของท่านอี อันพวกเราไม่เห็นเป็นความสุขมันเองเห็นนาการที่ไปจดจ่อในเรื่องสิ่งต่างๆวุ่นวายภายนอกเข้าใจเป็นของดีของดีอันนี้พระองค์เห็นเป็นภัยเป็นอันตรายเห็นเป็นค่าทึกใหญ่สตเขาถ่าเห็นเป็นความชั่วอย่างน่าเกลียดที่สุดนี่อันที่ทำให้พระองค์เกระดักเห็นอย่างนี้ปัญญาท่านท่านเห็นอย่างนี้ครั้นี้อย่างกายเห็นรูป ก็เห็นรับเขาแปลงเห็นรูปไอะไรก็ตามเลยรูปผู้รูปคนรูปหญิงรูปชายรูปสวยรู ป, รปไม่สวยอะไรก็ตามพอแว บ, บเข้ามาเมื่อเกิดลมรักลมไ ข, ข่ที่ความเข้าหอกเใจเมาเห็นเป็นการเดือดของความในใจเห็นเป็นไฟของไงพุ่งสม้นมาจังพระองค์จะต้องทำละเจ้าสามแล้วจะต้องกำจัดปัญหาให้มันหมดไปอันตัญญาเนี่ยเรียกว่าปัญญาอันดีศึก จนระงับดับกิเลสและขาดกิเลสให้หมดไปเนี่ยปัญญาจึงผมเ่ยเป็นผู้มีปัญญาอันนี้ถ้าหากเรามาคิดถึงเรื่องนี้แมี่ยัญญาของในเียดเรา อ, อที่จริงๆเห็นกลงกระทำของเรทั้งหมดคิดอายตัวเองแล้วผ่านนี่โอ้โหเรานี่ทําไมจึงเลวทามมาเกิดปัญญาตัดข้าเวเลวทามไปจริงๆหยาบหนาไปจริงๆเห็นของไม่ดีกลับกลายเป็นของดีทั้งหมดเห็นโทษอย่างนี้เรา เราจะเกิดความเลื่อมใสในปัญญาคุณของพระองค์บอกว่าปัญญาพิเศษจริงๆทำไมให้พระองค์กิ่งข้าวไปรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ไม่มีใครแนะนําอบรมสั่งสอนพระองค์ยังรู้อันนี้ผู้องค์เจ้าเทศนาแล้วยังไม่รู้ตามเสด้วยเราแค่เกิดแล้วอายตนเองขึง้นมามีปัญญาคุณเราพิจารณาอย่างนี้ซึ่งเข้าไปทังจิตถึ้งใจเย็นเลยจิตของเราก็จะ เมื่อเรามาคิดถึงคุณพระพงษ์เราจิตใจของเราจะจดจ่อเฉพาะในคุณเท่านั้นจะไม่ได้ส่งออกไปภายนอกเป็นอนุสติอันนี้ราลึกถึงปัญญาคุณพระพงษ์โดยจย่ อ, ยอที่เดียวแลวนี้อันลึกซึงเข้าไปก็นั้นมากมายถ้าหากพิจารณากว่วงขวัง่วงขว่งขวงออกไปอีกอง์สอนในธรรมทานทําไมยังต้องสอนในธรรมทานทําไมยังต้องสอนในธรรมสินทําไมยังต้องสอนในกราบให้ไหวสักระเขารลกนั่ถือ ก็มีคุณอวุธอะไรต่างๆพิจารณายิ่งกว้างล้วนแล้วจะมีคุณค่าประโยชน์นั้นยิ่งใหญ่ทั้งนั้นของพ น, นังแต่เรายังไม่ทันเห็นเราพิจารณาไม่ถึงอันนี้ว่าเฉพาะปัญญาโพนที่พอจะเห็นได้ง่ายที่อธิบายเมื่อพระองค์เจ้ามีปัญญาเช่นนั้นแล้วจิตใจก็วางใสทันทีกับพิสุทธิคุณเกิดึ้นม ปัญญาเฉลี่ยฉลาดทั้งขนาดนั้นชำนาญพระไถของผมให้หมดจนจากกิเลสมันก็เป็นวิสุทธิขุนเกิดขึ้นมาทั้งทใครจะไม่เชื่อพระองค์จะเป็นพระอรหันต์ใครจะไม่เชื่อเป็นพระผู้เเจ้าในพระองค์เป็นผู้เผยเจ้าเขาไปเห็นปัญญาของนั้นเชื่อร้อยเปอร์เซ็เลยทีเดียวว่เป็นพระอาหารจริงๆที่เผยเจ้าแน่นอนยิ่งเกิดความเลือกใจสถาปสถานยิ่งึสน่ห์คมบริสุทธิ์ของ เรานี่มันไกลจ า, ากองอค์เราใช่ือเปเราเห็นชัดตัดวของเรากับตัวเขาบอกไกลกันนิดทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้พูดกับองค์เลยแต่มาพิจารณาตามทรรมขั้งสองของพระองค์เจ้าก็เป็นของลึกซึ้งเหนือไกลกันกับเราอยู่แล้วหูแล้วเราจะไม่ยอมอย่างไงจะไม่เกิดศัดท้าเรื่องใส่เขท่านยังไงนะคราบนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วครานนี้คำสอนที่เราได้สดับกับฝั่งหรือเราได้พิจารณาคนกลัวอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นขั้นสองพระเจ้า อย่างอาธิบายตะกี้นี่ท่านสอนให้เห็นว่าเป็นธาตุสี่น้ำไฟลมไม่ใช่โลกไม่ใช่คนโลกนันคือธาตุสี่น้ำไฟลมไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนท่านสอนมาให้หลงอันที่ท่านสอนไม่ให้หลงนี่แหละท่านประสงค์ด้วยอยากจะให้เราเข้าใจด้วยความเอ็นดูและเมตตาต่างศาสนาบังดีต่อเราจะแท้ไม่ได้คิดจริงใดที่จะตอบแทนเฮ้ย คำสอาพระองค์นั้นประกอบด้วยเมตตาหาค่านี่แหละผู้ที่มีเมตตาพูดออกมาคําหนึ่งนะั้นมีคุณค่าค่าประมาณนี้แหละพร้อมด้วยความเมตตาปรารถนาดีแท้แท้พูดคําใดคำหนึ่งออกมาเป็นของมีค่าคุณค่าหาประโยชน์นี่แหละเห็นนั้นผู้ฟังจึงควรปฏิบัติตามนี้จะเห็นคุณพระกรุณาคุณพระองค์ ที่พ่วงขว่งเผยแพผ่ทำคําสอนเบื่อเจ้าไว้ถึงแปดหมื่นสี่พรรถคันไม่ได้ปกติทำผ่างคําสอนอะไดที่รู้แจ้งจริงๆเลยน้ำอามาสอนมดัดทุกเก่งอย่างโดยยันย่อคือว่าคุณเของพระองมีสามประการว่าทั้งเรื่องปัญญาคุณและก็ว่าทั้งเรื่องยิสุทธิคุณว่าทั้งเรื่องกรุณาคุณ บางทีกับเมื่อเราไปพิจารณาในบางคนอาจจะไปเห็นกรุณาคุณก่อนก็ได้แล้วจะไปเห็นปัญญาคุณเลาไปเห็นวิสุทธิคุณก็ได้หรือไปเห็นวิสุทธิคุณแล้วจะไปเห็นปัญญาคุณแล้วไปเห็นกรุณาคุณก็ได้แล้วแต่ผู้พิจารณาจะไปออกเข้าไหมาก่อนก็เหมือนกันคุณทั้งสามประการนี่เหมันกันพ้นาชนะในการที่เรา เป็นพุทธศาสนิกนชนนับถือพุทธศาสนาเอามาสักการะบูชาแล้วนานแล้วกราบไหว้ทุกวันว่าขอถึงทุกประทําประสงค์เป็นธรณีขึ้นหากเราไม่คิดพิจารณาอย่างนี้จ แ, แล้วคุณค่าจะน้อยไปไอ้ความคิดเฉยๆค้าจะ เ, เข้ามาครอบ้นความบานนเบื่อหน่ายจะเกิดขึ้นาหากเรามาพิจารณาดังอธิบายให้ฟังวันนี้แล้วความขยันหมั่นเพีย ความกล้าพึ่นเขาถึงจิตถึงใจอิม่มอืดเกิดปลื้มปีติก็จะคนที่เจ็บพางก็จะหายไปจริงใดๆพวกมดถ้าหากเราคิดถึงของอนั้นโดยจิตใจเรามั่นในเรื่องนั้นแล้วจะหายม่วงจริงใดก็ตามถึงเราคิดถึงคุณของพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่าตาม ได้คิดถึงคุณของพ่อแม่ออที่ท่านตายแล้วแต่ชางเมื่อเราคิดถึงคุณขอท่านเราคิตใจจะยิ่มเ อ, อิบจิตใจจะเบิกบานความขี้เกียจที่ข้านจะหายไปในการที่ปฏิบัติหรือเราลึกถึงคุณทเราคิดคิดถึงคุณผู้มีคุณเช่นครูบาอาจารย์ของเราก็ตามเถอะถ้าเราเห็นคุณนั้นแท้จริงในใจของเราแล้วเราจะไม่ขี้เกียจที่ข้ามปฏิบททัติ แล้วจะตั้งหน้า si ทั้งตาปฏิบัติเดือดกัจจ์เขาแล้บเราเลิกเคืองขุณพระพูุทธตามพระสงฆ์ไปเช่นเดียวกันถ้าหากเขาเห็นชัดเดี่ยตนเองแล้วจะไม่ทิจเตี้ยทิหายและจิตใจจะเบิ่อบานความห้องเหงาห้องนอนก็จะหายไปความเหน็ดเหนื่อยก็จะหายไปถึงแม้จะเหน็ดจะเหนื่อยแท้เหน็ดแทเนื่อยก็ตามจะไม่หลงลืมเลยที่สุดจะลุกกลาาไม่ไหวไม่ได้ นอนอยู่ก็จะเอาคุณนั่นมาพิกเพ่งพิจารณาคิตใจก็จะเบิกบานอิ่มเอิบอยู่ตลอดกางนี้ลางอย่างนี้ได้ผู้ที่ถึงคุณพระเจ้ากระต่ายจะ เ, เรียกว่าถึงคุณแท้ไม่ใช่จะแค่ว่ากล่าวได้ว่าจาหรืแสดงเจริหาิงคือกราดกุใบเท่านั้นถ้าเห็นอย่างนี้แล้วอบายะปะหายะมันยังขุมมิงผู้ที่ละ จากโลกอันนี้แล้วไม่ได้ไปตกนรกเด็ดขาดเชื่อมั่นในใจทั้งตนว่ามีพระไตรศรนาคมเป็นพระาณาที่พึ่งอย่างจริงจังหายตายจากโลกอันนี้แล้วไม่ได้ไปตกนรกในเด็ดขาดล้วหวังได้ซึ่งสุคติอย่างน้อยที่สุดก็เกิดสุคติสวรรค์ถ้าหากปฏิบัติอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้ตลอดกาลเวลา ผู้ที่ปฏิบัตินั้นทราบเชงเชงจิตอยู่ทุกเมื่อพิจารณาคุณของพระองค์อยู่ตลอดการเวลาเป็นสมถะจิตใจนั้นเรียกว่าเข้าถึงอนุสติหรือพุท ธ, ทธคุณธรรมคุณธรมณธรมคุณตอนนั้นไปจะเกิดปัญญาแท่งพิจารณาแท่งสังขารร่างกายตามที่ท่านแสดงไว้ในธรรมทั้งสองพระองค์คือพิจารณาแทงประทรมาต้องเข้าอย่างเข้าไปถึงพระกายรัชนาญา จนเกิดความรู้ฉลาดเฉียบแหลมขึ้นมาได้ปล่อยวางอุปทานคือความยึดโยมถือในสังขารร่างกายคือเห็นโลกเป็นโลกภาสัเห็นธาตุสีน้ำไนลตรไปสักไม่ใชเห็นเป็นตนเป็นคนเป็นมนุษย์ลองคิดดูสิมันเปลี่ยนจะภาพจะเท่าไหร่คิตใจควาคิดก็เห็นมันเปลี่ยนจะ เ, เท่าไหร่มาเป็นเช่นนั่นก็เรียกมาอย่างเข้าถึงอริยภูมิอริยมรรยภูมิแล้ว น, ะนั่งทานที่จะพ้นจากโลกได้นะแล้วพิจารณาเท่านั้นก็พอจะรู้ได้ ความเปลี่ยนจากภูมิของธรรมดามนุษย์ทาวโลกแปเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนพอที่เราเป็นพระพุทธศาสนิกชนจงพากันสนใจพิจาจรณาโดยในายทิจบายมานี้อย่าให้เสียทีในการที่ใดเป็นพุทธศาสนามาก น, นับถือพุทธศาสนาคือพระราชณาใจจงนับถือให้เข้าถึงภายในให้อย่างเข้าถึง ภูมิธรรมะคือพระกายธนาคมอย่งจริงจึงจะเป็นประโยชน์ให้เกิดสาเน็จประโยชน์ในการที่เราพูดปฏิบัติธรรมเนี่ยอธิบายถึงเรื่องพระไกายธนาคมซึ่งเป็นบทเบื้องต้นแต่ไม่ใช่ว่าของตื้นถ้าเราพิจารณาเข้าไปทั้งของจิงและเป็นของลึกซึ่งละเอียดเข้าถึงถ้ากายธนาคมนั้นเรียกว่าเป็นอนิยบุคผลได้ที่ท่านว่าเป็นองค์หนึ่งของปโสดาบัน ฉะนั้นทุกๆคนก็ขอให้ฝาพญาติหนารหมนาย น, นี้ก็จะเป็นประโยชน์โสอที่ผลไม่เกิดความสุขแต่ตนในปัจจุบันอนาคตดังอธิบายมาด้วยเกรกาะ่าน